อนาปฏิวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. นึพิกษณีผู้เป็นไข้ 2. ภิพิชณีผู้มีเหตุขัดข้อง 3. ภิพิชณีวิกลจริต 4. ภิพิชณีต้นบัญญัติสิกข้าบที่7จบ